ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นถ้าผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุรับอเจกัดจีวรนเก็บไว้จนเกินสมัยจีวรการจริงหรือภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายจะไหนพวกเธอจึงรับอัเจกัดจีวอน